Ram Saran Garicha. เดิมตอนที่แล้วในคืนวันเพ็ญเดือนแปดเจ้าชายสิทธัตถ์ลุกขึ้นกลาเดึดและทรงเห็นบรรดาหญิงงามทัลายนอนกายกันระเกะระกะมีสภาพน่าอุจจาระยิ่งนักทําให้พระองค์สัมวิและอยากจะหลีกหนีไปให้พ้นแม้จะมีความอไรในพระนางพิมพาและพระโอรพราหูเจ้าชายพยายามตับพระไทยนี้ออกจากวางจนได้กับนายชั น, นาและม้ากันทกา แต่พยาพยามพยายามฟังแต่ก็หามไม่ได้เหตุาการณ์จะเป็นอย่างไรต่อไปขอเชิญติดตามรับฟังละคริทยุเรื่องพระพุทธเจ้ามหาบรุษแห่งชมพูทวีปตอนที่สิบสีได้น่น เสด็จพี่อย่าเพิ่งเข้าไปดูเหมือนมีใครอยู่ตรงนั้นในใครนะ่ะเราถืออะไรในมือไว้หม่อมฉันเองไมหมคะเสด็จพ่อเสด็จแม่ที่แท้ปิน พ, พากําลังลุ้มหลังล่าวหม่อเอ๊ะจะร้องไห้ห น, นีิมีเหตุอันใดถึงได้อสุจิชนไหลนองท่วมสองตาอย่างนี้แล้วศิท ธ, ธาละลูกชายพ่ออยู่ที่ไหน เสียง ใ, ใครเอกอะเฮ้ยถวายบังคมเพคะองเหนือหัวพระมเหสีนางกำนังเกษณีรัศมีเจ้าสองคนรู้เรื่องที่เกิดไหมทำไมพิมพาถึงได้ร้องไห้อย่างนี้เออเออหม่อมฉันทำไมจึงอึกอักอึ้มปืนกันอยู่ได้ตอบมาวันเพคะเดี๋ยพี่เดีพี่สิทันท่า เสด็จพี cocktail, ่ต <chaud> <học> ้งหนีพวกเราไปแล้วเพคะอจะอะไรพอะไรนิมพพอพประปาก่ยเาหตกใจพสเสียงขสดพี่แล้วคะโอ้าหุ่นหอนปู่ปู่ปู่ไม่้วมัดนเจ้าปู่พิงจะเป็นหัวเป็นยายพ่อของเจ้ากเกิดไปทำไมยัง้องเล่าหคนเก่งลูแม่นิ่งซลูกอย่าร้องไห้ สเสด็จพ่อของลูกหน่จากเราแม่ลูกไปเพื่อคำตอบที่พระองค์ทรงสแสวงหาไม่ได้แล้วก็าอาจจะกลับมาหาเราสองคนอีกคนก็เป็นได้นะเห็นไหม ขอเดชา้าององเนื้อหัวพระม่หสีมีอะไร ห, หรือรัศมีนางกำนันเกษณีประคองพระชายาเข้าห้องบรรทมไปแล้วแล้วทำไมเจ้ายงอยู่ที่นี่ตามไปดูแลพระชายากับพระโอรสสิหม่อมฉันมีเรื่องเทสทูลไปคะเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะเพิ่งจะเด็กออกไปยังไม่นานนกะหากมีรับสั่งให้ทหารมา้าฝีเท้าไวเร่งตามไปก็อาจจะทันเจ้าชายนะเพคะ ม้ากันธกาเป็นอาชาพีทาลเลิร์เลยกว่าม้าตัวไหนๆ ไ, ไม่มีม้าตัวไหนจะตามได้ทันหรอกต่อให้ตามทันแ้จะทำเดิม ไ, ไหนใครจะกล้ามาคับจับกลุ่มลูกข้าเรอรัศมีะอะหม่อมฉันไม่ทันคิดเรื่องนี้ไปคะพระอาญาไม่ผลกล้าวเจ้าอุตส่าห์พยายามช่วยคิดจึงไม่ผิดหรอกรัศมีแต่เข้าไปดูแลพระชายาดีกว่า เวลานี้นางคงต้องการมีเพื่อนอบใจให้ใคลายความเศร้าที่เสียพระสวามีเพคะพระไม่แหสีหม่อมชันทุลาเพคะ กะพาเสด็จเจ้าชายบ่ายหน้าไปยังแควค้นมังคตผ่านแคว้นมันละและแค ว, ว้นวัดชีจนถึงลิมฝั่งแม่น้ำอโนมานก็ทยานพาเจ้าชายและข้าชนะข้าไปได้โดยง่ายจนมาถึงป่าใหญ่ที่มีต้นสาระ่งกำลังผลิดอกบานสวยอยู่มากมายชนะที่นี่คือที่ไหนขอเดชะ ริมฝั่งแม่น้ำอโนมานาทีใกล้แขวนมคตอันเป็นราชอาณาจักรใหญ่พระเจ้าค่ะเราคิดจะปลงผมและหนวดด้วยประขันเพื่อบรรมชาณที่นี้ขอเดชะจะทรงบรรมชาในรัดทิดใดถ้าทรงเป็นลือสีก็มักใช้หนังของพยาพันกายถึงแม้เราจะไม่เกรงกลัวเสือที่เป็นสัตว์ดุร้ายแต่ก็ไม่คิดจะทำร้ายหรือทำลายชีวิตมันเพื่อเบียดเบียนเอาหนังมาเป็นเครื่องนุ่งห่มพันกาย ถ้าสมงบวชเป็นโยคียก็อาจใช้ผ้าเพียงน้อยนิดหรือหากถือในลัทธิที่คําพรเดียร์ถีก็ไม่มีความจำเป็นต้องใช้เสื้อผ้าเครื่องนุ่มผมพระเจ้าค่ะเจ้าจะให้เราเป็นชีเปลือยไม่สวมเสื้อผ้าเป็นที่คําพรที่นุ่งลมห่มฟ้าหรือช น, นะไม่ละเราไม่ยอมเยืย่องนั้นยังจำวันที่เราเห็นสมณะรูปหนึ่งได้ไหมเราจาได้ ว่าท่านมีผ้าเพียงสามผืนพันกายก็ดูงสงบเสงี่ยมเรียบร้อยได้เราสนใจผ้าเช่นนั้นแต่ว่าจะส่งหาผ้าสามผืนนั่นจากที่ใดล่ะพระเจ้าค่ะนั่นสินะจะหาผ้านั้นได้จากที่ไหนข้าไมยิน สกัดเทวรัตนเรื่องกโคราบลอนปกในการบัญชาของพระบมรูปีสัจสักแค่ประสักเล็กน้อยเท่านั้นคงไม่จนปัญญาข้าพเจ้ากับท่านเท้ามหาพรมที่จะคิดแก้ไขท่านคิดว่าเราควรจะทำบริการอะไรดเรากือผู้ที่จะได้สร้างบุญอันยิ่งใหญ่ใหญอย่ามัวช้าอยู่เลยท่านเท้ามหาพรมท่านและข้าพเจ้ารีบจําแลงแปลงกายเข้าไปฟ้องเจ้าชายสิล ท, ทัตทันดีกว่า พูดไปก็ไ ป, ไปทันทีลิงไททาส์กันรอข้าพเจ้าด้วยสิท่านยังไม่ได้แช่งเลยว่าจะแปลงกายเป็นอะไรนะเนีน่ย อยู่นึ่งสี่พระเจ้าค่ะมีชายหญิงวัยชร า, ากำลังตรงมาทางนี้ในมือทั้งสองมีผ้าสีเหลืองประหลาดเรียกว่าผ้ากาสาว่าจากมือกาศข้ายอมโดฝาดและเปลือกไม้เพื่อได้ผาที่คงทนแล้วก็เงินเงี่ ง, งดีมีอยู่สามพื้นแถวนี้เองะนะเนี่ยพื้นนี้เน่ะคงใช้ดุงได้ส่นวนผืนที่สองเนี่ย ใช้หุมกํากลังตีพื้นที่สามใช้ขุมไหลรวมเรียกไตรจีวรพอดีข้าพระเจ้าขอซื้อผ้าสามผืนนี้จากท่านได้หรือไม่เสียใจด้วยนะผ้าของรังไม่ได้เอาไว้ขายจริงไหมจ้าใช่ใช่ใช่เราอยากะถอดถุงใจเรากยกเห็นเลยก็ยังได้แล้วเจ้าชายฉันนะ ถ้าข้าพเจ้าจะขอผ้าทั้งสามผืนจากท่านมาเพื่อใช้นุ่งห่มร่างกายจะต้องทำอย่างไรให้ถูกใจตายายบ้างละเนี่ยเวทท่านเดินป่าขอก็ฉันแกรกว่าทาตัวเป็นผีขุหรือผู้ขอระดับนาศีนอกจากจะให้ผ้านี้แล้วก็ยังมีป่าสิรามอไอมอยเด้วใช่ใช่เพื่อท่านจะได้บิ่งทำตา หร อ, ออาาเปป็นกยีต่ไทรงตายายถวายผ้าสามผืนแก่เจ้าชายรวมทั้งป่าศิลาแล้วก็พากันเดินหายไปอย่างว่องไวฉันนะตายายนี่จะเป็นเทพปยดาแปลงกายมาได้ไหมแต่ผ้าสามผืนที่เราจะใช้ต่อไปนี้ผ้าหน่งนี่จะเรียกว่าสมบมผ้าห่มคือจีวร และผ้าคลุมบนจีวร น, นี้จะมีนามว่าสังคติรวมเรียกว่าไตรจีวรสืบไปเจ้าชายสิทธทศถะเสดอบรรพาชาหรือที่เรียกกันว่ามหาพิเนกรมในคืนวันเพ็นเดินแปดเมื่อมีพระชนมายุได้ย9าพรรษาทรงตัดพระเกศาเมามิริด้วยพระกั เรื่องฉลองงูและเครื่องสรงมีค่าเปรียนมนุษย์ผมด้วยผ้ากาศวัดสาและรับสั่งให้ในชนานำม้ากันากาศ ก, กับเครื่องทรงนั้นกลับไปถวายพระเจ้าสุโธธนะอย่างจุง ก, งก บ, บิลวัทแม้ในชนาจะขอบวตเพื่อตามปรนิบัติและถวายพระคาถสา3ครั้งสามคราก็ไม่สรงยินยอและขนานนามพระองค์เองว่าสมณ แตข้ารู้ว่าเจ้ามีความรู้สึกอย่างไรเพราะเราทั้งสองในเวลานี้ไม่มีอันใดแตกต่าง ก, กันเท่าไหร่เพราะเป็นข้าที่ปราศจากนายเช่นกันทั้งคู่ข้ายังไม่รู้และคิดไม่ออกว่าจะกราบบังคงทูลองค์เนื้อหัวพระมเหศรีและพระชา ย, ายาอย่างไรดีนี่ท่เจ้าพูดได้ ข้าคงมีเพื่อนคูให้ใครเหงาใจได้ดีกว่านี้แต่ข้ารู้ดีว่าเจ้าฟังที่ข้าพูดเข้าใจเรามาถึงริมฝั่งแม่น้ําอะโนมาทังเจ้าและข้าต่างมีความหิวกะหายน้ําใสๆที่ไหลยเย็นนี้คงจะพอช่วยผ่อนคลายความเหน็ดเหนื่อยของเราได้ข้าขอดื่มน้ําก่อนละ่ะแล้วทําไมเจ้าไม่ดื่มกินน้ําบ้างละ่ะ ผ่านทุ่งหญ้าเจ้าก็ไม่กินหญ้าผ่านแม่น้ําอโนมาก็ไม่ดื่มน้ําอย่าทําอย่างนี้สิกันต ก, กะเจ้าจะไม่ไหวนะดื่มน้ำสกักกันตกะเจ้าหมดแรงขาสั่นแทบอยู่ไม่ไหวแล้วเห็นไหมกันต ก, กะเจ้าค่อยๆลงไปท่าทางเหมือนใจสลายอย่าหนีข้าอย่าเป็นอย่างนี้กันต ก, กะ อาหยามีผลกล้าวเรื่องทั้งหมดก็เป็นดังที่ข้าพระพุทธเจ้ากล่าบบางคนทูลพระเจ้าค่ะข้าพระพุทธเจ้าละอายใจที่ยังคงมีชีวิตกลับมาเทียบกับมาตัวหนึ่งก็ยังไม่ได้ไม่เป็นไรฉันมนะากอาจเจ้าต้องตายหาชีวิตไม่ได้หรือใครจะเป็นผู้กลับมาเลให้เราฟังได้ข้าจึงไม่โทษว่าเป็นความผิดของเจ้า เป็นพมามหากรุณาล่นก้าวลงกระหม่อมพระเจ้าค่ะแล้วเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะมีรับสั่งฝากข้อความใดมาถึงเราบ้างไหมขอเดชะเจ้าชายรับสั่งว่าจะเสด็จกลับมา mm hmm. เมื่อทรงสแสวงหาคำตอบได้พระเจ้าค่ะและมีรับสั่งถึงประชายาเจ้าไปเพทูนเองดีกว่าเผื่อจะเป็นการปรลอมจิตใจของพิมพา ที่กําลังบอบช้ำในเวลานี้ให้มีกําลังใจดีขึ้นมาได้เราพาเจ้าไปเองนะฉันนะเป็นพาการุณาพระเจ้าค่ะถวายบังคมเพคะเสด็จแม่ถวายบังคมเพคะพระม่เหสีพิมพา คนที่แม่นํามานี้คือนายม้าต้นฉันนะซึ่งเป็นผู้ติดตามสิทธัะไปถวายบังคมพระเจ้าข้าปชายยาเสด็จพี่ของข้าทรงเป็นอย่างไรบ้างชนะปลอดภัยดีใช่ไหมพระเจ้าค่ะทรงปลอดภัยดีและในเวลานี้ได้เสด็จบรรพชาเป็นสมณะแล้วพระเจ้าค่ะสมณะคืออะไรข้าไม่เข้าใจข้าขออธิบายไม่ถูกเหมือนกันพี่เกษมี บางทีอาจจะเรียกปริพาชกก็น่าจะได้ปริพาชกมาถึงนักบวชที่ไม่เป็นผู้ครองเรือนเพคะเราพอจะเข้าใจแล้วละสมีเสด็จพี่ทรงสละทุกอย่างเพื่อหาทางค้นพบสัจธรรมแล้วที่เจ้าบอกว่าจะนำรับสั่งมาทูลถวายพระชายาเสด็จพี่มีรับสั่งมาถึงเราและลูกด้วยใช่ไหมรี บ, บอกเรามาไวๆสิพระเจ้าค่ะทรงมีรับสั่งว่า ขอให้พระชายาอย่าได้เสียพระไทยจนประชวนหรือทรงเป็นอะไรไปเพราะจะทำให้พระองค์ทรงเป็นห่วงและเป็นเครื่องหน่วงพระไทยให้กังวลจนไม่เกิดสมาธิพระเจ้าค่ะและขอให้ทรงชุบเรียงพระโอรสลาหุ่นให้จงดีวันหนึ่งคงจะได้เสด็จกลับมาที่นี่หม่อมฉันจะทำตามรับสั่งและจะรอวันนั้นวันที่ได้เสด็จกลับมาอยู่พร้อมหน้าพ่อแม่ลูกอีกะ ่าเจ้าตะเตรียมผู้คนเพื่อทำสิ่งใดใะกาลุทายีข้าจัดกองทหารและบริวารทั้งหลายเพื่อติดตามเจ้าชายสิทธัตถะไปในทางที่ฉันนาบอกนะท่านพ่อแล้วจะตามทันหรือไงในเมื่อทรงใช้ม้ากันทกะที่มีฝีเท้าจัดกว่าอาชาตัวใดในกรุงกบิลพั์นี้ตามที่ฉันนาเล่าม้ากันทกะหัวใจสลายถึงแก่ความตาย และถูกชนะฝังไว้ที่ริมฝั่งน้ำอโนมาแล้วเจ้าชายจึงเสด็จพระดําเนินด้วยพระบาทเปล่าคิดว่าคงไม่เร็วกว่ามั่งพวกเราแน่แต่เจ้าคิดบ้างหรือเปล่าว่าเมื่อตามเสด็จทันแล้วเจ้ากับทหารจะทำประการใดข้าก็เอ อ, เ อ, อจะนาเสด็จเจ้าชายกลับมาหาองค์เหนือหัวและพระเหฤษีท่านพ่อด้วยวิธีไหนล่ะกาลุทายี ถ้าไม่สงยอมกลับมาโดยดีหรือเจ้าจะกล้าบางังคับพระองค์ได้หรือคิดจะใช้กำลังกับจำนวนคนที่มากกว่าข้าคงไม่กล้าแล้วข้าก็ลืมคิดไปจะทำอย่างไรดีล่ะท่านพ่อท่านเคยเป็นอำมาชันผู้ใหญ่พอจะมีทางแนะนำข้าบ้างไหมอืมบางครั้งนะการอยู่เฉยๆโดยไม่ทำอะไรเลย อาจเป็นวิธีที่ดีที่สุดก็ได้และให้เวลาเป็นเครื่องตัดสินว่าเราจะยินดีกับเจ้าชายหรือคอยช่วยประโลมพระไทยเมื่อทรงไร้ความสมหวังเสด็จกลับมา เธอไปค้าพระโอรสดูศีรักษาบีพระโอรสเป็แสงเสียงดังจะเห็นไหมอาจจะทรงผิดถึงพระบิดาก็เป็นได้นะพี่เกษมีโอบางทีอาจจะทรงผิวกระสีรธาราก็ได้นั่งนมอยู่ไหนเนี่ยทําไมไม่ปมาทำหน้าที่อทรงราหุลมาให้เราเกษมีและไม่ต้องตามนางมนมาเราจะทําหน้าที่ของแม่ที่จะป้อนเลือดในอก นื่มนมให้ลกูกดื่มกินเองดีกว่านี่เหรอคะหม่อมฉันส่งพระโอรสให้แลเป็นค้าพชายยาพอได้เสวยพระกสิระธาราจากทันของพระชายาเท่านั้นก็ทรงหลับพระเนตรอย่างมีความสุขทันทีที่แท้ก็ซ่งหิวจริงๆอย่างที่พิเกศ น, นีว่าก็ได้เวลาเสวยแล้วนี่นาะเดี๋ยวเราก็ต้องเตรียมจัดททธาหารถวาย พอได้เวลาเสวยของพระชายาเหมือนกันนะรัศมีจะให้หม่อมฉันจัดโต๊ะเสวยที่ห้องนี้หรือห้องเสวยดีไปคะเดี๋ยวก่อนก็ได้เรายังไม่หิวไม่ทรงหิวก็ควรเสวยนะเพคะพราะผิดเวลาเนี่ยอาจจะเป็นสาเหตุให้ประชวนได้ไม่กินตามเวลาอาจทำให้ปวดท้องได้ใช่ไหมเกษณีรัศมีเพคะพระชายา แล้เสด็จพี่สิทธาล่ะนี้ก็ได้เวลาเสวยพระกายาหารของเสด็จพี่แต่ประทับอยู่ในป่าองค์เดียวอย่างนี้จะมีใครนำพระกายาหารมาถวายใครจะคอยปฏิบัติรับใช้และถ้าไม่มีอะไรเสวยจะทรงเป็นประการใดจะทุกข์ยากลำบากแสนสาหัสแค่ไหนจะทรงปวดท้องประชวนพระนาพีหรือไม่ พิมพาหว่นใจแล้วเกินไปคะเสด็จพี่ นาผู้แสดงสัจพฤษศรีหเมธีปันธรัตพลเกียรติบุรโชนสันศรีศริยาพรวรการเจริญดีเปรมกมลโชติกาเสถียนธานิดศรีสินรัตนเกณิ น, นิตเรื่นสีสุพิสราพัฒเจริญพิทยารักษทธิพัสอ่อนปรางจรุพัฒเสเวตรัตโชติกาสเสวตรัตอ่อนวีนาเจริญพิทยารักษนัทพงศ์มัฒ น, นาบุญญาบันทึกเสียงวรการเจริญดีกำกับการแสดง สัจพุทสีหเมธีอำนวยการผลิ